ในกรณีที่ตัวอ่อนที่เราเลี้ยงไว้บีบางตัวตายไปหรือเอาไปใส่ในโพรงมดลูกไม่สามารถฝังตัวแล้วเสียชีวิตไปจะอธิบายนี้แง่ว่าตัวอ่อนนั้นตายเพราะสิ้นกรรมได้หรือไม่ถ้ามองอย่างกว้า ง, ก า, งการที่จะตายนั้นตายได้ตลอดทุกระยะหมายความว่าตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นตัวมาแล้วมันมีโอกาสที่จะตายได้เสมอ ไม่เฉพาะแต่เมื่ออยู่ในคั์มาดาถึงแม้คลอดออกมาแล้วจนแก่เท่าก็ตายได้ทุกเวลาตัวอ่อนก็เป็นขั้นก่อนหน้าของเด็กอ่อนและอยู่ในระยะที่น่าจะอ่อนแอทางด้านกายภาพดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าจะมีการตายได้แต่ข้อสําคัญก็คือว่าปัจจัยส่วนไหนที่ทำให้เกิดการตายเพราะว่าบางทีก็ยังไม่สมควรตายก็ตาย เหมือนอย่างคนเราที่โตโตแล้วนี่แหละบางทีก็ตายไม่ยังไม่ถึงเวลาที่สมควรในกรณีอย่างนั้นถือว่าตายเพราะกรรมเข้าไปตัดรอนท่านเรียกว่าอกาละมรณะแต่ถ้าตายเมื่อถึงเวลาอันควรหรือเพราะสิ้นบุญท่านเรียกว่าการละมรณะ